คอลัมนธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่ห้าถามสังเกตว่าเริ่มรู้สติมากขึ้นเวลาอยู่ว่างหรือกำลังเดินก็มาจับลมจับความรู้สึกสุขทุกข์จับอิริยาบถต่างๆตามเรื่องตามราวแต่ยังสังเกตว่าเวลาพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมักแบ่งสติมาดูตัวเองพูดไม่ทันพอคุยจบเดินจากมาก็นึกได้ว่าเมื่อกี้ ไม่ได้กำหนดสติดูเลยตอบการปฏิบัติทางจิตกับการออกกําลังกายก็คล้ายกันครับนักมวยหรือนักกีฬานั้นเขาต้องฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงเช่นออกวิ่งตอนเช้าเ้าการวิ่งของนักมวยนั้นไม่ได้เอาประโยชน์ที่การวิ่งแต่เอาประโยชน์ที่ร่างกายแข็งแรงและเอาไปใช้ชกมวยทางจิตก็เหมือนกันครับ คือเราต้องฟิตซ้อมด้วยการเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจหรือทำความสงบสลับกับการเจริญวิปัสสนาไปเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาว่องไวแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆได้เช่นเวลาเราทำงานหรือคุยกับคนอื่นเราเฝ้ารู้อยู่ที่จิตไม่ได้เหมือนกำลังชกมวยจะตั้งทาวิ่งไม่ได้แต่ทันทีที่คุยแล้วกิเลสเกิด ตันหาเกิดจิตจะมีสติรู้ทันขึ้นมาอย่างอัตโนมัติดังนั้นการฝึกกับการออกสนามจริงจึงไม่เหมือนกันถ้ากำลังชกมวยอยู่มัวคิดถึงท่าวิ่งก็ถูกชกหมอบสิครับหมายถึงว่าถ้ากำลังคุยกับคนอื่นแล้วย้อนมาเฝ้าดูที่จิตจนความคิดดับก็คุยกับใครไม่ได้เลยอีกอย่างหนึง่งจิตรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างเท่านั้นนะครับ ถ้าพยายามฝืนจะรู้หลายๆอย่างพร้อมกันจิตจะฟุ้งซ่านไม่มีความเป็นหนึ่งจะทำวิปัสสนาก็ไม่ได้สมถะก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มงานเพิ่มภาระให้จิตโดยเปล่าประโยชน์ครับแต่ถ้าคุยแล้วเกิดความมันหรือเกิดราคะโทสะอะไรก็แล้วแต่ให้จิตมันรู้ทันขึ้นเองเป็นอัตโนมัตินะครับจึงจะเรียกว่าพอจะทาได้จริงในชีวิตประจวาวันแล้ว แต่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องฝึกฝนเข้มมาสักช่วงหนึ่งแล้วสันตินันหรือพระปราโมทปาโมโชในปัจจุบันบทความจากธรรมะใกล้ตัวอ่านโดยอนุสอนต<ด>รีโรสภา